นโมตัสสะพุทโธอรหัโธสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพุทโธอรหัโธสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะโอรหตโธสัมมาสัมพุทธัสสะวยะธรมาสังขาราอัปมาเทนะสันะเทถะอยังตถาคตสิมาว a j เต วันนี้ก็จะได้แสดงพระธรร ม, มเทศนานะเพื่อประกอบในการทำบำเพ็ญกุศล น, นะให้กับหลวงพ่อบุญธรรมสังติตโตผู้เราทั้งหลายมาที่นี่นะก็ด้วยความระลึกนึกถึงปูกพันกับหลวงพ่อบุญธรรมงานศพทุกงานนะตามประเพณีไทยหรือว่า ตามประเพณีของเราชาวพุทธก็จะมีการบ่อเพ็รกุศลให้กับพุทธที่ลงลักด้วยการเลี้ยงพระถวายสังฆทานทอดทอดบางสุกุลและอีกอย่างนึงที่จำเป็นจะต้องมีก็คือการแสดงธรรมแสดงธรรมเพื่ออะไรแสดงธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าใจ ในธรรมะหรือความจริงที่เรียกว่าสัจธรรมที่จริงความจริงหรือธรรมะที่จะได้ในงานศพนะไม่จำเป็นที่จะต้องมาจากหลวงพ่อหลวงตาหรือพระที่มาเป็นผู้แสดงธรรมที่เรียกว่าธรรมกรถึก ที่จริงธรรมะที่ดีกว่านั้นประเสริฐกว่านั้นชัดเจนกว่านั้นเนี่ยมีอยู่แล้วนะ mm hmm. ก็จากผู้ที่ลงลักซึ่งตอนนี้ได้ทอดร่างอยู่ในหีบบนเมนข้างๆเรานี้วันนี้เนี่ยคนที่แสดงธรรมดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่อตมา แต่คือหลวงพ่อบุญธรรมนะท่านกำลังแสดงธรรมให้เราเห็นว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงความตายเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนชีวิตนี้ไม่กีรังไม่ว่าใครสักวันหนึ่งก็ต้องตายวันนี้นะ ที่จริงก็คือเมื่อสองวันก่อนนะก็เป็นวันที่ท่านได้จากไปแต่วันข้างหน้าก็ถึงคราวของเราทุกคนพูดอย่างนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องทีเดียวนะักเพราะว่าอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้มางานศพตอนบ่าย ตอนเย็นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือหัวใจวายตายไปก็ได้เข้านอนหลับไปไม่ตื่นเลยก็ได้ยังไม่ทานจะข้ามวันยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้ก็อาจาจะตายได้เพราะนี่คือความจริงความจริงนี่แหละนะที่ หลวงพ่อบุญธรรมกำลังแสดงให้เราอยู่ดูในขณะนี้ให้เปิดใจเจ้าของเดอ้อเปิดใจนะยอมรับความจริงนี่คือสัจธรรมนะเป็นความจริงที่ชัดเจนนะนะไม่ต้องมีตัวอย่างหลักฐานเหตุผลมาประกอบอาตมาสแสดงทมไปพูดเท่าไหร่ก็ไม่หนักแน่นเทนะ่ากับ หลวงพ่อบุญธรรมนะที่กำลังแสดงธรรมให้เราในขณะนี้ถ้าหากว่าพวกเราเปิดใจรับความจริงอันนี้แล้วก็พิจารณาต่อไปว่าไม่ใช่แค่หลวงพ่อบุญธรรมที่ตายไปแล้วสักวันหนึ่งก็อาจะถึงวันของเราและก่อนจะถึงวันของเราอาจจะเป็นวันของ คนที่เรารักเช่นพ่อแม่ลูกหลานผัวหรือเมียรหรือครูบาอาจารย์ก็ได้เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วก็จะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจะได้เล่นทางความดีสร้างบุญสร้างกุศล การนึกถึงความตายถ้านึกดีๆนะมันทำให้เกิดความกระตือรือร้นถ้านึกไม่เป็นก็จะเกิดความปดกูวเศาหมองเพราะคิดว่าอีกไม่นานอาจจะถึงวันของเราก็ได้อีกไม่นานคนที่เราลักตายจากไปก็ได้คิดแบบนี้ก็ทำให้้อแท้กวดหูได้ แต่ถ้าคิดเป็นคิดถูกนะการเรารู้ถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราซึ่งจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะทำให้เราเนี่ยตัวความกระตือรือร้นเล่นทงความดีแล้วก็ห่างไกลความชั่วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราทำความดีสร้างบุญสร้างกุศสเป็นนิด ถึงเวลาตายก็จะตายอย่างสงบได้ไม่ทุรนทุรายหรือถึงจะอยู่ห่างกลจากความตายก็ไม่กลัวตายคนที่ทำความดีมั่นใจในความดีเนะี่ยจะกลัวตายน้อยลงหรือไม่กลัวตายเลยก็ได้อย่างพระเจ้าเจ้าเนี่ยเคยกล่าวไว้ เมื่อคั้งเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่บำเพ็ญบุญบารมีเพื่อการปัสสรู้เป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นปุถุชนอยู่นะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นปุถุชนอยู่เชียนพระเวสสันดรนะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายก่อนที่จ ะ, ะได้บำเพ็ญได้บังเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและ บำเพ็ญธรรมตนตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในสมัยที่ได้เกิดมาเป็นพระโพธิสัตว์นะในชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้กล่าวว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมยอมไม่กลัวปารโลกอีกที่หนึ่งอุปว่าข้า พ, พเจ้าไม่เคยทำชั่วในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึง ธรรมดาคนเราเนี่ยไม่อยากนึกถึงความตายนึกถึงความตายแล้วโดยเพราะความตายของเจ้าของเจ้าวาดกลัววิตกเสียวุกอยู่ในส่วนลึกของจิตใจถ้าเป็นความตายของคนอื่นส่วนใหญ่อยากรู้อยากดูนะ รู้ข่าวว่ามีอุบัติเหตุมีรถชนตายกันที่ไหนหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านทุกคนก็จะแห่กันไปดูนะไปมุงดูลอดศพถ้าหาว่าเป็นศพของคนอื่นนี่ไปมุงดูกันอยากดูนะักเรียกว่าไทยมุงแต่ถ้าเป็นฟานแฟนมตัวเจ้าของโอยไม่อยากคิดไม่อยากนึกนึกแล้วเนี่ยจะกลายเป็นแช่ง แต่ถ้าคนที่ทำความดีสร้างบุญสร้างบุศสอยู่เป็นนิจนะจะไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าได้ใช้ชีวิตมาอย่างคุ้มค่าและรู้ว่ามั่นใจว่าตายแล้วจะไปดีไปสุคติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรานะมางานศพแล้วเนี่ย แล้วนึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าของแล้วรู้ว่าชีวิตนี้ประมาทไม่ได้ก็จะทำให้เร่งผลขวัญทำความดีนอกจากรักษาศีลให้ครบถ้วนทั้งห้าข้อแล้วนะ ก็อาจจะเห็นความสำคัญของการมาฟังธรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่สิ่งจำเป็นแต่ถ้ามาได้ก็ดีหลวงพ่อคำเขียนท่านเคยบอกว่าคนดีเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านกัน คนที่มีปัญหาเนี่ยคนที่มีความทุกข์นั่นแหละถึงจะเข้าวัดหรือว่าจำเป็นต้องเข้าวัดเนี่ยแต่ถึงแม่จะเป็นคนดีมีศีลธรรมนะแต่การเข้าวัดก็จะช่วยเกิดใจให้ไม่ประมากเนะพราะพระเนี่ยนะถ้าหาว่าเป็นพระที่เข้าใจธรรมะนะก็จะสอนให้ญาติโยมตั้งอยู่ในความไม่ประมาก แล้วลึกถึงความตายเป็นนิดพยายามเราลึกนึกถึงกดไตรลักษณ์ก็คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าเราลึกนึกถึงแล้วเนี่ยมันจะทําให้ไม่ประมาททาให้เร่งทำความดีคนเดียวนี้ประมาทนะเวลามี เวลาถูกชวนให้เข้าวัดก็ไม่มาเวลามีคนชวนให้มาปฏิบัติธรรมก็ไม่มาให้เหตุผลว่าอีกนานนะกว่าจะตายเอาไว้แก่ก่อนนะค่อยมาวัดอันนี้เรียกประมาทเพราะรู้ได้งไงว่าจะได้แก่ตายนะคนที่บอกว่าแก่แล้วจึงค่อยมาวัดเนี่ยนะบางคนก็ตายขณะที่ยังหนุ่มยังสาว เป็นมะเร็งตายบ้างหัวใจวายตายบ้างรถชนตายบ้างเนี่ยไอย้ที่คิดว่าแกแล้วถึงค่อยถึงค่อยมาวัดเนี่ยนะเป็นคนที่เรียกวประมาทเพราะความตายเนี่ยเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้มีพาสิที่เบตกล่าวว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อน คนส่วนใหญ่คิดว่ามีพรุ่งนี้แล้วชาติหน้าก็จะมาทีหลังแต่ว่าอย่างที่อรรมาได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่บางทีอาจจะไม่มีพรุ่งนี้ก็ได้คนจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยวันนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยจะมีคนประมาณหนึ่งแสนห้าหมืนคนที่วันนี้เป็นมาสุดท้ายของเขา พนจากวันนี้ไปก็ชาดหน้าเลยและเราก็ไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยในนี้เนี่ยใครบางคนอาจจะอยู่ในจํานวน1นึ่หมื่นคนที่ว่าที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้ามาต่อมาไม่ไดเ้เรื่องความตายเนี่ยอย่าไปคิดว่าฉันยังหนุ่มยังสาวนะ มีพยาบาลคนนึงเล่าว่ า, ากลับไปเยี่ยมบ้านช่วงสงกรางบ้านก็คงคล้ายๆกับบ้านธรรมาไฟหรื อ, อบนหลังเขานี่แหละเป็นบ้านในชนบทอยู่บ้านได้สองวันน้องชายก็บอกว่าจะขี่จั ก, กรยานไปบ้านเพื่อนน้องชายขึ้นจั ก, กรยาน แต่ว่าไม่ไม่สวมหมวกกันน็อกพี่สาวก็บอกว่าให้สวมหมวกกันน็อกซะพี่สาวเป็นพยาบาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นความสาคัญนะของการนะรักษาสุขภาพรักษาร่างกายน้องชายบอกคนเราถ้าจะตายถ้าถึงวันตายมันก็ตายถ้าไม่ถึงวันนะ มันก็ไม่ตายหรอกนะพูดอย่างนี้เพื่อเป็นข้ออ้างว่าไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกก็ได้เ <c oughs> จ้าตัวเนี่ยก็คงคิดว่าฉันยังไม่ตายหรอกขนะี่จักรยานไปแค่นี้เองเข้าไปในบ้านแล้วก็เลยอ้างเป็นธรรมบาว่าคนเราถ้าไปถึงคราว ต, ตายมันก็ไม่ตายคําพูดนี้ดูสวยนะแต่ส่วนใหญ่คนที่พูดเนี่ยเอามาใช้เป็นข้ออ้าง จะได้ความสิ่งที่ประมาทเช่นกินเหล้าหรือว่าใส่ไม่ใส่หมวกกันน็อกน้องชายนี่ก็ไม่ยอมใส่หมวกกันน็อกเพราะคิดว่ายังไงก็ไม่ตายหรอกอ้างธรรมะเนี่ยถึงคราวตายมันก็ตายเนี่ยเพื่อให้ที่สาวสบายใจ เราอกว่าขี่จักรยานโยนไปได้แค่ไม่ถึงนะหงนะ้ า, า, า, า, ทงท า, าทีนะก็แหกโค้งนะชนเสาไฟฟ้าตายคาที่ไม่ทันท่านาทีนะที่หลุดปากไว้ว่าคนเราเนี่ยไม่ถึงคราวตายก็ไม่ตายหรอกนะหรือคนเราถึงคราวตายมันก็ตายไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรื่องความตายนี่อย่าประมาท แต่ก็อย่ากลัวนะอย่ากลัวเพราะว่าถ้าเรากลัวแล้วเนี่ยนะก็ทาให้ไม่เข้าใจไม่เตรียมตัวพอกลัวความตายแล้วเนี่ยนะก็ไม่อยากนึกไม่อยากพูดพอไม่อยากนึกไม่อยากพูด บางทีไม่อยากฟังด้วยพระพูดเรื่องอันนี้จังพระพูดเรื่องความตายไม่อยากฟังก็เลยมีชีวิตเหมือนคนลืมตายอย่างนี้มีคนชีวิตคนอยู่แบบลืมตายเยอะนะคือลืมไปว่าตัวเองต้องตายก็เลยเลอยากประมาทถึงเวลาจะตายหรือว่าพบวกก่าตัวเองเป็นมะเร็งก็ทําใจไม่ได้ กินไม่ได้นอนไม่หลับหมดอะไรตายอยา ก, กชีวิตกลายเป็นว่าตายทั้งเป็นมีลมหายใจนะจะอยู่มันตายอันนี้เกิดขึ้นกับคนที่มีชีวิตเหมือนคนลืมตายตอนที่สุขภาพดียังหยุ่นยังหนุบยังนัน่นยังสาวนี่มีชีวิตเหมือนคนลืมตายได้คิดว่าตัวเองจะต้องตายเพราะว่าตัวเองเป็นนเร็ง เป็นเอหรือว่าพิการก็อยู่เหมือนตายแล้วถึงเวลาจะตายก็ตายแบบหลงตายอันนี้เริ่มต้นมาจากเพราะกลัวตายแล้วก็เลยไม่อยากนึกไม่อยากคิดไม่อยากพูดถึงความตายใครจะชวนเข้าวัดนะมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็ไม่เอาไม่อยากฟังพระเทศเรื่องความตาย อันนี้ต้องระวังนะหลวงพ่อพยอมมันเคยพูดว่าให้เลือกเอานะจะเข้าวัดเองหรือจะให้คนถามเข้าวัดนะอยากแบบอยากเลือกแบบไหนอยากได้แบบไหนเนี่ยจะเข้าวัดเองหรือให้คนถามเข้าวัดนะจะสวดมนต์เองหรือให้พระ ส, สวดให้นะ จับพนมมือเองหรือให้สับประเลยจับมือพนมให้คนส่วนใหญ่ทําแบบหลังนะไม่เดินเข้าวัดเองอ่ะแต่ให้คนอื่นหามเข้าวัดไม่สวดมนต์เองแต่ให้พระ ส, สวดให้ไม่พนมมือเองแต่ให้สับประเลยพนมมือให้อันนี้เรียกว่างโง่หรือฉลาด แล้คนฉลานี่จะมาจะเข้าวัดเองไม่รอให้คนอื่นถามเข้าวัดจะสวดมนต์เองไม่รอให้พระสวดให้จะพนมมือเองไม่รอให้สับประเลยเนี่ยจับมือพนมเมื่อมาฟังธรรมรลลึกถึงหรือได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องความตายก็จะได้เกิดความไม่ตมาอย่างที่ อาตมาได้ยกขึ้นมาเป็นนิเขตประบฏก่อนที่จะเทศคือว่าวิยธรรมาสังขาราสังขารนั้งหลายมีความเสือเ่อมไปเป็นธรรมดาปรมาเทนะสังปาเทะท่านทั้งหลาตรงทำความไม่ประไม่ถึงพร้อมอยังตถาคต菩萨ปฏิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าเมื่อเราทำความดีเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรม จิตใจก็จะมีความกล้าๆล่าเริมไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าถ้าตายก็ไปดีแล้วถ้าทำทางดีแล้วเนี่ยถึงเวลาตายนี่ก็จะตายสงบได้นะเพราะจิตใจมีปิติเวลาจะตายก็นึกถึงพระพุทธธรรมพระสงค์นึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำคนเราเวลาจะตายเนี่ยนึกถึงความดีที่ได้ทำนี่ใจจะเป็นกุศลนะจะมีความสุข ผู้เจ้ตัดว่าบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตแต่ว่าอะไรแต่ว่าเวลาจะตายเนี่ยสามารถจะเป็นสุขได้ไม่จำเป็นต้องทุกข์เสมอไปแตะเป็นสุขได้เพราะอะไรเพราะนึกถึงบุญที่ได้ทำนะ้นถ้าเราทาความดีวันนี้นะก็จะมีต้นทุนในวันหน้า ทำความดีวันนี้ก็มีความสุขวันนี้แถมยังได้กําไรยังมีดอกเบี้ยให้ในวันหน้าด้วยเพราะว่าถึงเวลาป่วยถึงเวลาตายนึกถึงบุญที่ได้ทำจิตใจก็มีความปิติปามโมดไม่ทุกข์ทรมานแล้วก็มั่นใจว่าไปดีแน่ไปสุคติแต่ถ้าทำชั่วแล้วเนี่ยนะตอนทาก็มีความทุกข์นอนก็ไม่หลับ กลัวเขาจับได้กลัวความจริงจะเปิดเผยกลัวเขาจะแก้แค้นกลัวตำรวจจะจับได้ในคุ้มเสียเลยชเช่นไปโกงเงินโกงเงินมาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ไม่คุ้มนะกับความทุกข์ที่ทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับแถมอาจจะติดภุกติดตารางถูกเขาแก้แค้นก็ได้เท่านั้นไม่พอ เวลาจะตายเนี่ยมันก็จะนึกถึงความชั่วนึกถึงคนที่ตัวเองโกงนึกถึงคนที่ตัวเองทาผิดนึกถึงคนที่ตัวเองฆ่าก็ทำให้ตายทำให้กระสับกระสายมีภาพรูปนึงนะมาบวชตอนแก่เวลาป่วยเวลาจะตายเนี่ยนะก็มีเพื่อนพระ มาช่วยนำใจให้นึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์บอกว่าเพื่นนี่นึกตายไม่ได้เลยนึกถึงพระพุทธธรรมประรมสงค์ไม่ได้เลยเพราะเห็นแต่ภาพคนตายเห็นแต่ภาพคนที่ตัวเองเคยฆ่าตอนเป็นโยมเป็นคารวะเคยฆ่าคนไม่รู้ติดคุกเลยหรือเปล่านะแต่ว่ามาบวชภาแล้วเนี่ยผ้าเหลืองมันก็ไม่ได้คุมนะ พอตอนจะตายนึกถึงคนที่ตัวเองเคยฆ่ามาหลอกหล้อนอันนี้เรียกว่านิมิตนะเป็นนิมิตเครียดกรรมนิมิตคนที่คนเราเนี่ยเวลาตายเนี่ยกรรมนิมิตมันจะปรากฏถ้าทําดีก็เป็นนิมิต ด, ดีถ้าทาชั่วก็เป็นนิมิตชั่วเช่นนึกถึงคนที่ตัวเองเคยฆ่าก็ทําให้เกิดความหวาดกลัวทุรนทุรายก็เรียกว่าตายไม่สงบ และตายไปแล้วก็อาจจะไปนรกไปอบายเพราะจิตสุดท้ายไม่เป็นกุศลนะมีคนหนึ่งเลี้ยงไก่ชนแล้วก็เล่นไก่ชนเป็นประจำที่กรุงเทพนะตรงบริเอณที่เขาเรียก บ, บ่อนไก่บ่อนการแต่กลมาเป็นบ่อนไก่จริงๆนะทรมานไก่มากนะเพื่อจะได้เงินรางวัลไก่ตัวตายไป ต, ต, ตัวแล้วตัวเล่าถึงเวลาจะตายนะ ทุรนทุรายนึกเห็นแต่ไก่ที่ตัวเองเคยทรมานมีน้ำซ้ําเนี่ยพอหมดสติไม่รู้ตัวรู้ตัวนะก็จอมือเนี่ยนะชนกันอย่างเงี้ยเหมือนไก่ชนแล้วก็บอกเป๊กพ่อเป๊กพ่อชนอยู่นั่นแหละเป็นชั่วโมงจนกระทั่งเลือดไหลก็ยังไม่เลิกชนนะกระดูกจะร้ามันก็ไม่เลิกชนอยู่อย่างนั้นแหละจนตาย อันนี้เรียกว่าไม่คุ้มเลยนะได้เงินจากการไปชนไก่แต่ว่าพอจะตายนี่นะไม่มีความสงบแถมตายแล้วไปอาบายด้วยไปนรกสถานเดียวอันนี้เพราะทำชั่วความชั่วบางอย่างนะมันให้ผลช้าแต่ให้ผลช้านี่ไม่ใช่ดีนะ ให้ผลเร็วเนี่ยอาจจะทําให้สํานึกตัวกักตัวกลับใจได้เร็วอย่างองค์ครีมานี่กลักตัวกลับใจได้เร็วเลยรอดนะเลยรอดได้เป็นพระอระหันต์การชั่วบางอย่างให้ผลช้าแต่พอมันให้ผลเนี่ยกลักตัวไม่ทันละกลับใจไม่ทันละคือมันมาให้ผลมาแสดงตัวตอนจะตายจะบวชพระแก้บุญก็บวชไม่ได้จะทําบุญ นะล้างบาป ก, ก็ทำไม่ได้แล้วจิตมันหลอนอย่างนี้ตายตายแล้วไปอบายสถานเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องทำความดีแล้วก็ลาเว้นความชั่วแล้วก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางเยอะๆทำดีละชั่วแล้วเนี่ยนะก็ยังทุกข์ได้นะพ่อ่วงลูก่วงหลาน่ว ง, ว ง, ว ง, วงทรัพย์สมบัติจะตายไปแล้วก็ยังห่วงทรัพย์สมบัติ ในสายพุทธการมีพรามณ์คนหนึ่งนะชื่อโทนัพรามรวยแต่พอจะตายนี่ได้พวงซับสมบัติพอตายไปนี่ปรากฏว่าไปเกิดในท้องหมาเกิดในท้องหมานะพอออกมาจากท้องแม่ก็กลายเป็นลูกหมาคอยเศร้าซับนะไม่คุ้มเลยนะหารั์มาด้วยความเหนื่อยยาก แต่แล้วพอจะตายเนี่ยกลายเป็นธาสของรั์ปล่อยวางไม่ได้ตายแล้วยังต้องมาเฝ้าซับนะโดยเป็นหมาอยู่ในบ้า น, นยอย่างนี้คุ้มไหมนะหามาด้วยความเหนื่อยอยากเสร็จแล้วซับ ก, ก็ไม่ได้ทำให้ไปดีไปสบายไปสวรรค์ต้องมาเฝ้าซับเป็นหมาเนี่ยเรียกว่าทุกติ เพราะฉะนต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางเด้อนะแต่ว่าไม่ใช่มาปล่อยเอาตอนจะตายนะมันต้องปล่อยวางตั้งแต่ตอนนี้ <Yeah. S 1> ของหายเงินหายอ่ะมันหายไปแล้วก็ปล่อยวางสิใครเขาด่าเราก็อย่าไปเก็บเอามาคิดให้มันเจ็บช้ำน้ำใจกพจะเกิดว่าโกรธและตายไปตอนนั้นก็ไปนรกนะคนโกรธเนี่ยนะ และตายตอนที่โกรธนี่ไปนรกนะทั้งใครด่าว่าเรานะปล่อยวางซะถึงแม่ไม่ตายเนี่ยแต่ถ้าเจ็บเอาไว้นะมันก็น้อยไม่หลับความดันก็ขึ้นป่วยง่ายอยู่ก็ทุกข์ตายก็ไม่สงบต้องปล่อยตั้งแต่ตอนนี้นะไปทำไปทาผิดไปทไปเบียดเบียนใครก็ รู้จักไปขอขมาก็ซะตายไปจะได้ไม่ต้องม า, าก่อนตายจะได้ไม่ทุรนทุรายนะมีหัวหน้าพยาบาลคนหนึ่งเป็นมะเร็งปอดตอนจะตายก็ไม่ยอมตายสัญญาณชีพแย่หมดแล้วปอดหัวใจตับไตทั้งหมดแล้วแต่ตาเปิด ไม่ยอมตายจนกระทั่งรุ่นน้องมาถึงเป็นพยาบาลคนไข้ก็รวบรวมกำลังแล้วก็พูดว่าขอโทษที่ได้เคยทำไม่ดีกับเธอเอาไว้เพราะตอนนั้นเข้าใจผิดว่าเธอเป็นกิ๊กกับสามีแต่ตอนนี้เข้าใจความจริงแล้วขอโทษ ด, ด้วย ไฟายพยาบาลรุ่นน้องก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่หนูเข้าใจพี่หนูแฮปภัพยพี่พอได้ยินแบบนี้คนไข้ก็สบายใจนะไม่มีอะไรข้างกายแล้วก็เลยหลับตาแล้วก็ตายวันนั้นนี่ดีนั่นที่ได้มีโอกาสขอโทษขอคมาแต่ถ้าไม่มีโอกาสน่ยก็คงจะตายแบบทุรนทุรายตายแล้วอาจจะไปอบายก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะ นอกจากทำความดีละเว้นความชั่วแล้วเนี่ยต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างใครก็ทําอะไรให้เราเจ็บช้ำ น, น้ำใจก็ปล่อยปล่อยวางทาอะไรให้เขาเดือดร้อนก็ไปขอโทษขอเข้ามาเ้าซะตรงนี้แหละหนะ้าที่มันช่วยทำให้ชีวิตเราเนี่ยอยู่ก็อยู่เป็นสุขนะถึงวเวลาจะตายก็ตายสงบ แต่ทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะมันต้องมีการเตือนใจอยู่เสมอเพราะคนเรามีนานโนมนะจะชอบทำชั่วชอบผิดศีนหรือว่าชอบยึดชอบติดไม่ปล่อยไม่วางถ้าอะไรที่จะช่วยทำให้เตือนใจให้เราเหมันทำความดีเราเป็นความชั่วละาไม่จะบปล่อยวางก็คือการเราตถึงความตายอยู่เสมอ แลวลึกถึงคาสอนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่อัตมาได้กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทาความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหรือท่านทั้งหลายจงทาประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้เป็นคำกล่าวสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนจะเสด็จปริพันธ์เป็นมรดก ที่มอบให้กับชาวพุทธทั้งหลายพูดสั้นๆไม่ยาวนะแค่สองประโยคแต่มีความหมายลึกซึ้งมากชาเจ็บเอามาคิดพิจารณาเตือนตนอยู่เสมอนะจิตใจก็จะข่องสาสเพราะทำความดีไม่มีความชั่วให้มาติดค้ังใจแล้วก็ปล่อยวาง การที่เราจะระลึกถึงความตายได้เนี่ยมางานศพนี่ก็ช่วยได้นะมางานศพแล้วเนี่ยถึงแม้ไม่ได้ฟังธรรมขอธมาแต่ว่าพิณิพิจารณาร่างของหลวงพ่อบุญธรรมที่นอนอยู่ข้างหน้าเรานอนอยู่บนเชิงตะกรบนจิตกาทานมันก็สอนธรรมให้กับเราได้และสอนได้ดีได้ตรงได้ชัดนะกว่า คำเทศของอรตมาสิก็ขอสมควรากเวลานะก็ขอนุมโมทน า, าญาติโยมทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลบุตที่ได้กราบหลวงพ่อบุญธรรมผู้ที่ได้ลงรักจากไปนะก็ขอให้อำนาจแห่งบุญกุศลที่ได้บาเพ็ญอำนวยอวยผลให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันณนะสุขาพละเพื่อเป็นพระวะปัจจัย ในการทำความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนาเพื่อเป็นเครื่องรักษาใจให้มีความผ่องแท้ว <c oughs> ไม่กลัวความตายมั่นใจในชีวิตที่ได้บำเพ็ญและหมั่นบำเพ็ญหมั่นปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้พบกับความสุขความเจริญให้อยู่เย็งเป็นสุขปอลอดภัยกายทุกข์ให้ได้บังเกิดปัญญาเข้าถึงความสุกเกษมสารมีพระนิพพาน จงให้อำนาจแห่งบุญกุศลที่บำเพ็ญนั้นได้อำนวยโอืยอผลให้หลวงพ่อบุญธรรมได้เสวยสุขสมบัติในสัมประภพตามควรแก่กติวิสัยและเป็นปัจจัยให้ได้พบพระพุทธศาสนาและตั้งมั่นในวิเทียงธรรมจนกระทั่งเข้าถึงพระนิพพานในอนาคตการด้วยเถินนาโมตัสสะภะคะวะโต